จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใยดำทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่ส2องกรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวันพระวันธรร ม, มัดสนะวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชน ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเติมบุญเติมกุศลที่เป็นเหมือนน้ำมันของชีวิตจิตใจที่จะขับเคลื่อนพาให้ชีวิตจิตใจของเราได้ไปสู่บ้านของเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราปรารถนากันคือบ้านที่ไม่มีความทุกข์บ้านที่มีความสุข บ้านที่ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายบ้านที่ไม่มีการพลาดพลากจากกันตอนนี้พวกเรายัางกำลังเดินทางอยู่และระหว่างทางเราก็ต้องไปพักตามโรงแรมตามบ้านชั่วคราวบ้านชั่วคราวของพวกเราก็คือพบชาติต่างๆเช่นพบของเทวดาพบของพง พของเดลชานพบของเปรตพบของนรกอันนี้เป็นบ้านชั่วคราวที่เราเดินทางไปแล้วก็ต้องไปแวะพักอาศัยขึ้นอยู่ว่าเรามีบุญหรือมีบาปถ้าเรามีบุญเราก็จะได้พักที่บ้านที่ดีพักสวรรค์ชั้นต่ตางๆถ้าเรามีบาปก็ต้องไปพักที่บ้านไม่ดี คือบ้านของเดลาชานบ้านของเปร์บ้านของสัตว์นรกนี่นี่คือที่แวะของเราเรากำลังเดินทางกันแต่เรายังไม่ถึงบ้านที่แท้จริงของเราบ้านที่พวกเราไม่ต้องถูกเขาขับไล่ออกมาบ้านหลังอื่นๆที่เราไปพักนี้อยู่ได้ไม่นานก็ต้องถูกเขาขับไล่ออกมา เช่นตอนนี้เรามาอยู่บ้านของมนุษย์เดี๋ยวไม่นานเขาก็ไล่เราไปเพราะว่าบ้านเหล่านี้ไม่ได้เป็นของเราเจ้าของถึงเวลาเขาก็มาบอกว่าไปได้แล้วอยู่มานานพอแล้วถ้าพวกเราไม่เติมน้ำมันเราก็จะไปได้บ้านที่ไม่ดีและก็ไปไม่ถึงบ้านที่แท้จริงของพวกเรา ถ้าเราคอยเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้บ้านที่ดีระหว่างทางที่เราเดินทางไปแล้วเราก็จะไปถึงบ้านของเราบ้านที่เป็นของเราบ้านที่ไม่มีใครจะมาขับไล่สายสง <c oughs> ให้เราออกไปได้บ้านของเราคือพระนิพพานบ้านที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตา์สาวก ได้ไปถึงแล้วท่านแล้วท่านไปถึงแล้วท่านก็เลยมาบอกพวกเราว่าต้องพยายามเติมน้ำมันกันบ่อยๆต้องมาวัดกันเรื่อยๆเพื่อมาทำบุญทําทานเพื่อมารักษาศีลเพื่อมาชำระใจให้สะอาดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมนี่คือบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่าเป็นเหมือนน้ำมัน ของจิตใจของพวกเราถ้าเราเติมน้ำมันเราก็จะได้เดินทางไปสู่สถานที่เราต้องการไประหว่างทางเราก็มีที่แวะที่พักที่ดีคือสวรรค์ชั้นต่างๆแต่ถ้าเราไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> เราก็จะไปได้ที่พักที่ไม่ดีและจะเดินทางไม่ ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปเพราะเรามีน้ำมันน้อยหรือไม่มีน้ำมันเลยก็เลยต้องติดอยู่กับที่พักที่ไม่น่าอยู่กันคือไปเป็นเดลอาชานไปเป็นเปรไปเป็นผีไปเป็นสัตว์นรกถ้าเราไม่มาลักษาะสิงกันนี่คือน้ำมันที่เราต้องเติม คือการมารักษาศีลกันวันพระนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวันที่เราต้องมาหยุดการกระทำบาป ก, กันหวันถ้าเรายังไม่เคยรักษาศีลห้าก็วันนี้ต้องมาหันรักษาศีลกันให้หยุดการค่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการเสพสุรายาเมและอบายามุขต่าง เช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรความเกลียดคร้านนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องมาละกันในวันนี้เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่จะฉุดลากให้เราไปเกิดในอบายนั่นเองไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสูรร่ากายไปเกิดเป็นสัตว์นรก แต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะปิดทวารปิดประตูของอบายได้จะไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปกลับมาก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปรับผลบุญที่สวรรค์ถ้าเราเพียงแต่รักษาศีลอย่างเดียวแต่ไม่มีเงินทําบุญทาทานเวลาตายไป เราไม่ได้ไปสวรรค์แต่เราจะได้กลับมาเป็นมนุษย์เพราะเรารักษาศีลหข้อนี้ได้เราไม่ต้องไปอบายแต่ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเที่ยวในโลกทิพย์ก่อนที่ดีกว่าสถานที่ท่องเที่ยวในโลกนี้ถ้าเราได้ถ้าเราอยากจะไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์เราก็ต้องหมั่นทาบุญทาทาน อย่างว่านี้ญาตโยมมาทาทั้งบุญมาทั้งรักษาศีลอันนี้ก็เป็นการตีตัวเพื่อที่จะไปสวรรค์กันไปเที่ยวสวรรค์พอเงินหมดพอบุญที่ทำหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเติมบุญใหม่แล้วถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเราก็ต้องมารักษาศีลแปล เหรียแปดนี้จะทำให้เราสามารถขยับไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้สวรรค์ชั้นเทพนี่เปรียบเทียบก็เป็นเหมือนโรงแรมหนึ่งดาวสองดาวสดาวแต่สวรรค์ชั้นพรหมนี่เปรียบเหมือนโรงแรมสี่ดาวหดาวอยากจะไปอยู่โรงแรมสี่ดาวหดาวก็ต้องเสียเงินเพิ่มต้องเก็บเงินให้มีมากขึ้น ถึงจะไปอยู่โรงแรมระดับสี่ดาวห้าดาวได้การทำบุญทาทานการรักษาศีลนี้ไม่พอที่จะส่งให้เราไปสู่สวรรค์ชั้นพรมได้ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรมที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพเราก็ต้องมารักษาศีลแปดกันแลวเราก็ต้องมานั่งสมาธิทำใจให้สงบกัน ถ้าเรารักษาศีนแป่ได้นั่งสมาธิจนใจของเรารวมเป็นสมาธิเราก็จะไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าเราอยากที่จะไปสวรรค์ที่ไม่ต้องกลับมาสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมนี้ยังเสื่อมเหมือนกับไปอยู่โรงแรมห้าดาวนี้พอาเงินหมดก็ต้องออก เขาไม่มีเงินจ่ายเขาก็ไม่ให้อยู่เราก็ต้องย้ายมาอยู่โรงแรมสามดาวสองดาวแทนพออยู่โรงแรมสองดาวสามดาวไปเดี๋ยวเงินหมดอีกก็ต้องกลับมาหาเงินใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี้เป็นที่หาเงินหาทองหาบุญหากุศลกันถ้าไม่หาเวลาตายไปก็จะไปเป็นขอทานขอทานคือใคร ก็วพวกเปรตเนี่ยเป็นพวกขอทานพวกที่ไม่รอกินของคนอื่นเพราะไม่ไม่หาด้วยตัวของตัวเองอยากกินของคนอื่นี้เพราะเกียรติครั้นมาขอทานตรงนี้ถ้าเป็นดวงวิญญาณเราก็เรียกว่าเปรตพวกขอทานทางดว ง, ดวงวิญญาณถ้าเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าพวกขอทานอย่างพวกขอทานที่มา ขอขออะไรจากพวกเรานะเวลาเขาไม่มีเงินมีทองเขาก็เอาขันมาใบหนึ่งมาวางไวนะ้แล้วก็รอผ่านเมตตาผ่านสงสารจากพวกเราเพราะพวกนี้ขี้เกียจไม่ชอบท ร, รมาหากินไม่ชอบเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยตนเองนะชอบกินของคนอืน่นะคนที่ไม่ชอบทำบุญก็แบบนั้น ตายไปก็จะไปเป็นขอทานไปเป็นเปรตเนี่ยอย่างที่พวกเราเดี๋ยวเวลาที่พระอนุโมทนาให้ภุมิให้พรพวกเราก็กดน้ำเนี่ยตอนนี้มีเปรตกำลังรอพวกเราอยู่แต่ยังยังไม่ได้รับเพราะว่าต้องรอให้พวกเราเสร็จกิจก่อนพอเราฟังเทศฟังธรรมเสร็จเดี๋ยวเราก็จะกวดน้ำ บุธทิศให้กับพวกเปรตไปถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นเปรตเราอยากจะไปเป็นเศรษฐีไปเป็นเทวดาเราก็ต้องพยายามทำบุญกันให้มากๆทำบุญมากเท่าไหร่ก็จะได้สวรรค์ที่สูงขึ้นไปมากเท่านั้นได้พักโรงแรมที่มีดาวเพิ่มมากขึ้นไปทำบุญน้อยก็ได้ดาวเดียวทำบุญมากก็ได้สองดาวสามดาว นี่คือสวรรค์ที่ยังมีการเจริญมีการเสื่อมอยู่ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวพอบุญหมดก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าอยากจะไปสู่สวรรค์ที่ไม่ต้องมีวันเสื่อมเราก็ต้องปฏิบัติทำอีกขั้นหนึ่งคือปัญญาเราต้องเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาก็คือเราต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนฟังเทศฟังธรรม ว่าวิธีใดที่จะทําให้เราได้ไปอยู่เหนือสวรรค์ชั้นพรหมตอนนี้เรารู้แล้วว่าวิธีไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมก็คือให้รักษาสีแปแล้วก็ให้เรามานั่งสมาธิทําใจให้สงบกันพอใจสงบก็ถึงสวรรค์ชั้นพรหมถ้าอยากที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นของพระอริยะเจ้าเป็นสวรรค์ที่ไม่เสื่อม ก็ต้องเจริญปัญญาปัญญานี่จะทำให้ใจนี้ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นพระอริยเจ้าซึ่งมีอยู่สี่ชั้นชั้นแรกเรียกว่าชั้นโสดาบันชั้นที่สองเรียกว่าสกิดาคามีชั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีชั้นที่สี่เรียกว่าอาราหันต์นี่คือสวรรค์สี่ชั้นที่ พอได้มาแล้วจะไม่เสื่อมเช่นพอได้ไปถึงสวรรค์ของพระโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาแล้วพอได้ชั้นสกิริดาคารีก็จะไม่เสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นโสดาบันพอได้สวรรค์ชั้นอาณาคารีก็ไม่เสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นสกิริดาคารีแล้วพอได้สวรรค์ชั้นอรหันต์ก็ไม่ต้องเสื่อม ไม่กลับมาเพราะจะไปถึงพระ น, นิพพานพระนิพพานก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันถ้าอยากจะไปสวรรค์เหล่าชั้นเหล่านี้เราต้องมาศึกษามาสร้างปัญญา ปัญญาที่พุะเจ้าต้องการให้เราสร้างก็คือให้พวกเราเห็นไตรลักษณ์หเห็นอริยสัจสีอันนี้เป็นปัญญาที่จะทำให้เราขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นที่ไม่มีวันเสือ่อมเช่นถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นโสดาบันเราก็ต้องมองร่างกายของเราว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราความจริงร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรา แต่เรากลับมองกับตาเราปัดกลับมองไปเห็นว่ามันเที่ยงกลับไปมองว่ามันเป็นของเราพอมีไปเห็นว่ามันเที่ยงเป็นของเราก็เลยเกิดความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็พอร่างกายนี้ตายไปความอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตาย ก็ทําให้เราไปหาร่างกายอันใหม่ไปทําให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าเราเห็นว่าร่างกายของเรานี้มันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปก็ปล่อยมันไปเท่านั้นเองอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถึงเวลาแก่ก็ให้มันแก่ถึงเวลาเจ็บก็ให้มันเจ็บถึงเวลาตายก็ให้มันตาย พอปล่อยได้เราก็จะไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่นี่คือภาสโสดามันคือจะไม่คือจะปล่อยวางร่างกายของตนเองได้แต่ยังยังปล่อยวางร่างกายของคนอื่นไม่ได้ยังรักร่างกายของคนอื่นยังชอบร่างกายของคนอื่นเพราะยังเห็นว่าสวยว่างามอยู่ถ้าอยากจะปล่อยร่างกายของคนอื่น ท่านสอนให้เราพิจารณาอสุภะให้ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอย่าไปมองที่ส่วนที่สวยมองส่วนที่ไม่สวยบ้างเช่นมองเข้าไปข้างในดูตับไตไส้พุงบั่งดูกระโหลกศรีรษะดูโครงกระดูกบ้างดูปอดหัวใจดูตับดูไตดูสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในร่างกาย ที่ถูกขับถ่ายออกมาดูน้ําต่างๆน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหงือน้ําดีน้ํามันข้นน้ําลายน้ํามูกน้ําปัสสาวะนี่ถ้ามองเห็นส่วนเหล่านี้ก็จะทําให้เราไม่หลงไหลข้างใครก็จะทําให้เราไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยา ถ้าเราตัดได้เราก็จะขึ้นไปสู่ชั้นที่สามชั้นที่สองนี้ตัดได้เพียงครึ่งเดียวคือทำให้เบาบางลงไปแต่ยังทาไม่หมดคือยังมีความเบื่อมีความอยากสลับกันไปเวลาเห็นอสุภะก็เบื่อเวลาไม่เห็นก็อยากแต่ขั้นที่สานี้จะเห็นอสุภะตลอดเวลามองทีไรก็จะเห็นเป็นซากศพทันที ร่างกายทุกคนนี้เดี๋ยวก็ตายแล้วพอเวลาตายแล้วมีมีใครอยากจะเก็บเอาไว้ที่บ้านบ้างต่อให้นักกันขนาดไหนพอตายแล้ววันนี้คืนนี้ไม่ให้เก็บไว้ที่บ้านแล้วยกให้สับปปเหล่เลยแต่เวลายังไม่ตายนี่ต่อให้ใครมาขอมาซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ยอมยกให้เพราะยังเห็นว่าสวยยังงามอยู่แต่พอเห็นว่าตายปั๊บนี่เห็นว่าไม่สวยไม่งามแล้ว ดังนั้นถ้าเราอยากจะตัดความความหลงไหลข้างใครในรูปร่างของคนอื่นต้องพยายามมองให้เห็นว่าเขาเป็นซากศพพอเขาไม่หายใจนี่ไม่เก็บไม่ในบ้านนะรีบไปติดต่อกับวัดไปจองศาลาละนี่ถ้าเราไม่อยากที่จะลักหลงไหลข้างใครร่างกายของคนอื่นเราก็ต้องหมั่นพิจารณาตัดสุธะอยู่เรื่อย ถ้าเราเห็นเป็นอสุภะแล้วเราก็จะตัดการอารมณ์ต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องมาเป็นมนุษย์อีกต่อไปเพราะการมาเป็นมนุษย์นี่ก็เพื่อมาเสพกามนี่ถ้ายังอยากเสพกามอยู่ยังอยากมีแฟนยังอยากมีสามียังอยากมีภรรยาอยู่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้เสพกามาะต้องมีร่างกายถึงจะเสพ กางได้ถึงจะร่วมหลับนอนกันได้แต่พอไม่มีร่างกายแล้วก็พอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องมีร่างกายพอเห็นว่าเป็นอ ส, สุภะเห็นร่างกายของใครไม่ว่าจะเป็นนายแบบนางแบบแบบเป็นดาราภาพยนตร์เป็นพระเอกเป็นนางเอกพอเห็นว่าเป็นซากศพปั๊บเน่ไม่เอาลวละไม่อยากได้แล้วนี่คือวิธีกําจัดกามารมณ์ พยายามมองให้เห็นเป็นซากศพคิดลองสมมุติว่าถ้าเกิดตอนนี้เขาไม่หายใจแล้วเราจะทำไงกับร่างกายของเขาเรายังจะเอาไปอยู่กับเราหรือเปล่าหรือเราจะเอาไปฝากที่วัดนี่คือวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปแล้วพอเราไปถึงขั้นที่สามนั้นเราก็จะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สี่ได้ ขั้นที่สี่เราก็จะไปตัดความอยากที่ยังมีอยู่ในใจความอยากของขั้นที่สี่นี้เป็นความอยากเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเรายังอยากมีอารมณ์ดียังอยากไม่ให้มีอารมณ์ดีแต่ถ้ายังอยากยังติดอยู่กับอารมณ์ดีอยู่ก็ยังไปไม่ถึงพระนิพพานยังติดอยู่ถ้าไม่อยากจะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ในสวรรค์ชั้นพรมก็ต้องไปก็ต้องตัดความยินดีในเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจพอตัดอารมณ์ได้ตัดอัตตาตัวตนได้ก็ไปถึงภายินฐานไปเป็นพระอรหันต์ได้นี่คือสวรรค์ชั้นสูงสุด <c oughs> ต้องใช้ปัญญาถึงจะไปได้ต้องเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตรู้ไม่มีตัวไม่มีตนเราไปสมมติมันขึ้นมาเองว่าเป็นตัวเราของเราเวลาที่ร่างกายตายไปมันกลายเป็นอะไรไปมันตายไปก็กลายเป็นขี้เถ้าไปเวลาไปเผาก็เหลือแต่เศษกระดูกเหลือแต่ขี้เถ้าแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนมันไม่มีตัวเรา ตัวเราคือผู้คิดนี่เองคิดว่ามีเราคิดว่าเป็นของเราก็เลยกลายเป็นตัวเราของเราขึ้นมาแต่พอเราไม่คิดพอเราหยุดคิดตัวเราก็หายไปของเราก็หายไปนี่คือปัญญาที่เราจะต้องเข้าให้ถึงให้ได้ให้รู้ว่าตัวเราของเรานี้เกิดจากความคิดเท่านั้นเองไม่ได้เกิดจากอะไรความจริงแล้วของทุกอย่างไม่ได้เป็นของใคร เป็นของดินน้ำลมไฟเป็นของาธาตุรู้มีเท่านี้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือการมาเติมน้ำมันเพื่อให้เราได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง<ม><ม>คือบ้านของเราบ้านที่ไม่มีความแก่บ้านที่ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วย บ้านที่ไม่มีความตายบ้านที่ไม่มีการพักผ้าจากกันบ้านที่ไม่มีความทุกข์จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าพวกเรามาคอยเติมน้ำมันกันเช่นัันนี้เราก็มาทำทานมารักษาศีลมาภาวนามาฟังเทศฟังธรรมกันถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำให้มากขึ้นไปตามลำดับเดี๋ยวเราก็จะไปถึงบ้านของเราเหมือนกับที่พระพุทธเจ้า และพระอาารันตสาวกทั้งหลายท่านได้ไปถึงกันเพราะท่านขยันเติมน้ำมันกันท่านทำทานกันท่านรักษาศีลกันท่านภาวนากันท่านเจริญปัญญากันจึงทำให้ท่านได้ไปถึงบ้านที่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายไม่มีการพัดพากจากกันดังนั้นขอให้พวกเราพยายามมาวัดอยู่เรื่อยๆอย่าน้อยอาทิตย์นึงก็สักครั้งหนึ่งก็ยางดี ถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันแล้วก็ต้องคลานไปเดินไปก็จะไม่มีวันถึงบ้านที่เราต้องการจะไปได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มามำเพงกันในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณสุขะพละโดยทั่วหน้ากันเทอ